เหตุใดบางคนจึงรวยแบบเครียดเหตุใดบางคนจึงรวยแบบสบายๆเหตุใดบางคนจึงรวยแบบต้องเครียดหนักหรือต้องรวยอย่างมีชีวิตที่เป็นทุกข์เหตุใดบางคนจึงรวยแบบสบายๆหรือได้รวยอย่างชีวิตที่เป็นสุขทำบุญต่างกันผลก็ต่างกัน ทำบุญด้วยความเข้าใจและศรัทธามีผลให้สบายใจในบนัดนี้และช่วยให้มีชีวิตที่สบายในเบื้องหน้าทำบุญด้วยความหลงผิดหรือไร้ศรัทธามีผลให้ใจแห้งในบนัดนี้และอาจส่งให้มีชีวิตที่สบายกายแต่ลำบากใจในเบื้องหน้าเมื่อทำบุญใดๆจะเป็นให้เศษอาหารแกสัตว์สงเคราะห์คนยากจน ใส่บาตรตอนเช้าหรือเดินทางไปทำสังฆทานที่วัดให้สังเกตที่ใจหากใจสบายมีความปราบปลืม้มที่ได้อนุเคราะห์สัตว์คนหรือพระก็ทราบถือว่านั่นเป็นเหตุให้เป็นสุขใจนานๆทันตาและหากทำด้วยใจที่สบายเป็นประจำจนตายก็จะเป็นเหตุให้ไม่ต้องตกต่ำลำบากในชีวิตหน้าถ้าจะมั่งมีสีสุข ก็เป็นความมั่งคั่งที่ไม่ต้องลำบากกายลำบากใจอีกทั้งมีเวลาใช้เงินฉลาดในการใช้เงินเพื่อซื้อหาความสุขไม่ใช่มีเงินไว้เป็นโซ่ล่ามให้ติดอยู่กับคุกแห่งความใจแคบแต่หากทำบุญใดๆด้วยความยุ่งยากใจฝืนใจให้หรือให้ด้วยอาการอยากได้หน้าได้ตาหรือทำด้วยอาการของนักลงทุน อยากได้รางวัลตอบแทนเป็นชีวิตนี้ที่ดีขึ้นหรือกระทั่งอยากได้สวรรค์วิมานหรือเงินทองในชาติหน้าก็ทราบเธอว่านั่นเป็นเหตุให้กึ่งสุขกึ่งทุกข์ทันตาพราะความโลภจะบีบจิตให้แคบการจิตให้มืดมวัวไม่สว่างเต็มและหากทำด้วยใจที่กึ่งสบายกึ่งลำบากเป็นประจำจนตายก็จะเป็นเหตุให้มีชีวิตแบบเครื่องศกเครื่งทุกข์ในชีวิตหน้า ถ้าจะมั่งมีเงินทองก็เป็นความมั่งคั่งที่อาจต้องลำบากกายหรือลำบากใจอาจมีเงินเป็นหมื่นล้านแต่ต้องหมดเวลาไปกับการหาเงินแทบไม่เหลือเวลาใช้เงินแม้มีครืหารสวยๆก็น่าดามคลัําเครียดเกินกว่าจะมีแก่ใจเห็นความสวยรอบตัวเมื่อจะท่องเที่ยวไปไหนใจก็ครุ่นคิดถึงแต่เรื่องกาไรขาดทุน ทำบุญอย่างเข้าใจคือทำอย่างเชื่อว่ากรรมต้องเลดผลบุญเป็นเหตุแห่งสุขและความเจริญผู้ใดทำบุญด้วยความหวังผลแม้ไปเกิดในสวรรค์ก็ไปได้เพียงจาตุมหาราชซึ่งเป็นชั้นต้นแต่ถ้าทำบุญด้วยความหวังอนุเคราะห์คนและสัตว์อย่างแท้จริงเมื่อขึ้นสวรรค์ก็เข้าถึงดาวดึงซึ่งสูงกว่าจาตุมหาราช และหากมีวาสนาได้เกิดเป็นมนุษย์ในคราวหน้าก็จะเป็นผู้ไม่ลำบากไม่เป็นผู้มีความร่ำรวยเป็นทุกขลาภทั้งนี้ถ้าเคยก่อบาปเบียดเบียนผู้อื่นไว้มากถึงรวยก็รวยแบบโดนเบียดเบียนบางคนแม้ปัจจุบันก็รวยด้วยการเบียดเบียนคนอื่นหรือสัตว์อื่นจึงนับว่าเป็นผู้รวยเงินแต่ไม่อาจรวยสุขอย่างเต็มที่ได้